เขาเรี่าปฏิมากรรมธรรมชาติเป็นเนเจอร์โมเดลที่เราได้สืบทอดกันมาตั้งแต่เราเป็นสัตว์บกสัตว์น้ําตั้งแต่เราเป็นน้ามาเนาะเป็นน้ําก็สัตว์น้าสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ําสัตว์เลยคานสัตว์ปีกสัตว์อะไรมาเรื่อยๆจนมาเป็นชาติพันธุ์ทั้งเดิมของเราก็เลย ลิงอุลังอุตังจนมาเป็นเราวันนี้แหละพัฒนาการมาเรื <c oughs> ่อยๆเราะนั้นก็เลยมันก็เลยสั่งสมไอ้ความซับซ้อนมาหลายล้านปีเนี่ยแต่ว่าถึงที่สุดแล้วก็มีมนุษย์ผู้วิเศษผู้พิเศษก็ได้ได้มาค้นพบ ว, ว่านั่นคือการวิวัฒนาการของความทุกข์ทุกท่านนั้นเกิดขึ้นทุกท่านนั้นตั้งอยู่และทุกท่านนั้นดับไป ท่านก็บอกสรุปในที่สุดว่าในที่สุดเมื่อต้องมีการเกิดอีกทุกข์ขาชาติปูนปุนงังการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์นาิชาติปูนพวติพบใหม่ชาติใหม่จะไม่มีต่อไปที่ท่านได้สรุปเอาไว้ในธรรมเทศนาแต่ละกันของพระพุทองค์เพราะว่าเราพบชาติใหม่เกิดใหม่เราก็จะต้องมาทุกข์ใหม่ซ้ำรากนั้นเองพบของมนุษย์จึงเป็น ซินเทอร์พอยที่จะแยกไปในภพภูมิต่างๆให้เขาให้เขามาให้ให้มาแก้ตัวว่าเราเกิดเป็นอบอายภูมิเกิดเป็นสุกภูมิให้มาทดสอบทั้งสองด้านนั่นแหละด้านมืดกับสุกติภูมิด้านด้านมืดได้แก่อบอายภูมิด้านสว่างก็ด้านสุกติภูมิที่ด้านเมื่อเรายัางรักมืดก็ต้องตูดถูกตีกลับมาที่มุมสว่าง วันหนึ่งเราไม่ชอบความสว่างแล้วก็ตีปรับมาอยู่ในมุมมืดอยางที่สุดท่านบอกว่ามันมีอีกมุมหนึ่งที่เหนือมืดเหนือสว่างคืออริยภูมิเราก็เลยมาสแสวงหางมุมนี้กันตอนนี้นะให้รู้เป้าหมายด้วยว่าเราเป้าหมายมาฝึกฝนเนี่ยไม่ได้เพื่อที่จะกลับไปมุมมืด ม, มุมสว่างแต่อยากจะออกจากมุมทั้งสองแหละเมื่อเรายังพอใจในมุมสว่างวันหนึ่งแล้วก็ตีกลับไปอยู่มุมมืด เมื่อเราอมุมมืดนานเราไม่พอใจก็ตีกลับมาอยู่ในมุมสว่างมาอยู่ในมุมสว่างแล้วก็ประมาทเพ้อเลอถูกตีกลับไปอยู่มุมือดอยู่งั้นน่ะเขาเรียกว่าสังสารวัตมุมมืดแล้วอวัอยภูมิแยกเป็นภูมิต่างๆสวรรค์ชั้นฟ้านระนะกเปรตอสุรกายอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นมุมสองมุมกลับไปกลับมาอยู่ตรงนี้นั่นแหละก็ต้องพัฒนาไปตามลําดับ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 นี้เราก็เมื่อมาพบคําสอนของพระศาสดาก็เหมือนได้พบตัวพระศาสดาเองเพราะว่าท่านตรัสเอาไว้ว่าดูก่อนอนุนเมื่อร่วมการล่วงไปแห่งเราทและวินัยใดที่เราตรัสไว้ในที่ต่างๆธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาแทนตัวเราท่านไม่ได้มอบหมายว่าให้พระองค์นั้นองค์นี้เป็นศาสดาแต่มอบหมายว่าธรรมวินยัยคําสอนทั้งในส่วนเป็นธรรมทั้งเป็นวินยัย ส่วนที่เป็นธรรมก็คือตัวปัญญาส่วนที่เป็นวินัยก็คือตัวสติถ้าว่าให้ชัดเจนขึ้นมาก็สติปัญญาใดที่มีอยู่แล้วอยู่ในมนุษย์ให้เราให้กฎเกณฑ์และวิธีการพัฒนาสติปัญญานั้นขึ้นมาเป็นพุท ธ, ธะและเรียกว่าพุท ธ, ธจิตโพธิจิตอะไรก็แล้วแต่อยู่ในตัวเราแล้วทุกคนที่พุทธเจ้าค้นพบดังนั้นเราก็ไม่ต้องลังเลยสงสัยอ่ะเพียงแต่ว่าเราจะพบคุณ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 พลอนีประตูตรงนั้นให้ได้คุณไปจุบได้เหยียบไปว้างเลยยังเหยียบไปแล้วก็ถอยกลับมาแล้วใช่ไหมหนักกลัวใช่ไหมไปข้างหน้าเพราไม่มีเพื่อนเลยนะไปมุมมืดมุมสว่างเพื่อนเยอะมากนะไปมุมเหนือมืมเดเหนือสว่างไม่รู้ว่าเววงังเวงหรือเพื่อนไม่มีใครเลยเลยแต่เราถอยดีกว่า <c oughs> นะเพราะฉะนั้นนั่นก็เรียกว่ายัางไม่รู้จักไม่ได้เหยียบจริงนะเพราะฉะนั้นเองเราจะทำอย่งไรถึงจะไปเหยียบตรงนั้น <c oughs> แต่ว่ารหากเราเกิดมาเป็นมีความพร้อมกับอันนี้เราคงไม่พอใจแค่นั้นนะใช่ไหมหไปเหยียบประตูธรณีที่สองที่สามที่สี่ขึ้นไปมันถึงจะปลอดภัยเหยียบประตูที่หนึ่งลดทุกเหตุของทุกลดลงแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเหยียบประตูธรณีที่สองชั้นที่สอง้าไปทุกลดมาห้าสิบเปอร์ซ็นเหยียบประตูที่สาม้าไปทุกลดลงมาถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตเหยียบประตูขัน้นที่สี่ก็หมายความว่า ไม่ต้องกลับมาอีกเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็เรามีความพร้อมขนาดนี้มันน่าจะได้เหยียบเข้าไปถึงขั้นใดขั้นหนึ่งอนะทั้งสี่ขั้นถ้าไม่ได้เลยก็เรียกว่าภาษัยีสานว่าขี้ไลค <c oughs> ขี้าย่กึนไวปภาษาอีสานว่าขีา้ไล่มหมายความไม่เอาไหนกันนะเป็นมนุษย์ที่ไปเอาไหนสมควรที่จะทุกข์ต่อไปอีกหลายหมุนหลายแสนชาติแล้วกนะันสมควรแล้วที่ต้องทุกข์เพราะนั้นมาเห็นใครทุกข์ๆ ก, กนันมาก็ไม่ได้ อาเซจันอะไรเนอะไม่ใช่ธรรมดาออกมากแต่หน้าที่ของเราคือชักชวนลงมาทางที่ไม่ทุกข์บ้างถ้าเขาใส่ใจเสดง ว, ว่าเขามีวาสนาอยู่บ้างถ้าเขาไม่สนใจเลยก็ปล่อยไปตามเรื่องแล้วเวลาร้องห่มร้องไห้ก็ไม่ได้ไปอีหนังของขอบอะไรละไม่ได้ไปสงสารเมตตาอะไรพราะท่านทำหน้าที่ชักชวนคุณอย่างที่สุดแล้วนะแต่คุณไม่มาก็เป็นกรรมและพุทธเจ้าเรียกว่ากรรมของสัตว์นั้นท่านบอกท่านรัก ภาษาไอ้พระราหุนกับพระเทวทัตนี่เท่าๆกันเอาไม่ได้ว่ารักพระลาหุนมากกว่าพระเทวทัตไม่ใช่เพราะตามคนต่างมีบุญมีกรรมมาเงี้นเราจะรักก็เท่านั้นเราจะชังก็เท่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรเราเขาสร้างกรรมอย่างนั้นดเราจะรักเขาเขาก็ไม่ดีดขึ้นเขาสร้างกรรมอย่างนั้นเราจะไปชังเขาเขาก็ไม่ดีดขึ้นก็ เ, เท่าเดิมแต่รักษาใจของเราให้สมุเสมอนะอันนี้ปรนปกเบื้องต้นทีนี้มาขั้นที่สอง <c oughs> <c oughs> ในวิธีการของพุทธียนทำไมเราถึงอาศัยเป็นมรรควิถีเพราะว่ามันเขาเรียกมั l t i p l e ม e d i t a t i o n กรรมฐานที่อะไรหลากหลายะนะหลากหลายคือไม่มีตัวเลือกเยอะนั่งอย่างนี้ไม่ได้ก็นั่งอย่างนั้นงวงอย่างนี้ไม่ได้ก็งวงแบบนั้นบ้างสงบแบบนี้ไม่ได้ก็สงบแบบนั้นบ้างแต่ถ้าเรามีทางเลือกแล้วเรายังไปแช่อยู่ไอภาวะที่เราเป็นอยู่ มันก็คุณนาริศใช่ไหมขนาดมีตัวตื่นอยู่แล้วก็จะไปเลือกง่วงอย่างเงี้ยช่วยไม่ได้ใช่ไหมคุณนาริศช่วยปลูกเธอหน่อยข้างหลังแส <c oughs> ดงว่าหนักจริงๆใช่ไหมคุณไปนอนได้เลยไปคุณไม่ต้องมานั่งให้ง่วงให้หลวงพ่อดูแลอนะไร <c oughs> คุณไปนอนให้สบายนะไปนอนให้พอนั่งง่วงในทรมานเพ <c oughs> ราะร่างกายเราไม่พร้อมอย่ฝืนนะนอนให้สบายตื่นขึ้นมา ก็ทําได้ทั้งวันเลยทีนี้เพราะฉะนั้นร่างกายของเราเราไปฝืนมันก็ยิ่งเป็นโทษนะแต่ว่าดูความพร้อมมันจริงๆว่ามันเมื่อไหวเพราะอะไรเราแก้มันก่อนพอแก้แล้วมันมันไม่ฟืนเนี่ยแสดงว่ามันมีอะไรผิดพลาดบางอย่างเราไปแก้ให้มันถูกเหตุน ะ, ะนั้นเราจะเห็นว่าการปฏิบัติวิปัสสนานั้นเราจะไม่ทําตามอยากแต่เราจะทําตามความถูกต้อง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 เพราะรูปมันหมายถึงตาหูจมูกลิ้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์นามหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างนี้เนี่ยแต่จริงๆรูปหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ตาหูจมูกลิ้นกายนามมีอันเดียวคือใจอ่าเท่านั้นเองเพราะฉนั้นรูปมันมีถึงเท่าไหร่1ิอ็ะแต่นามมีอันเดียวรูปกับนาม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 รูปธาตุหมายถึงธาตุสใช่ไหมดินน้ําลมไฟดินน้ํำลมไฟดินน้า ล, ลมไฟทํางานโดยธรรมชาติ ก, กลไกอย่างถูกต้องแล้วมันก่อให้เกิดอีก 2, 2สองสองธาตุคืออากาศธาตุกับวิญ ญ, ญาณธาตุตัวอากาศธาตุวิญ ญ, ญาณธาตุนี่เองเรียกเป็นเป็นอากาศธาตุเชื่อมต่อระหว่างลูกกับนางพวดีกันพอมาเป็นวิญ ญ, ญาณก็เป็นนามแต่อากาศเนี่ยเป็นกึง่ง ทังรูปทั้งนามนะคําว่าอากาศกับท่านลมเป็นอันเดียวกันหรือคุรานยมพรนสาถ้าลมกับอากาศสะทัเป็นอันเดียวกันหรนือคุรันถ้าใช่ใชคนจะเป็นยังไงอ๋อหนึน่งยังยังเลยสงสัยอ๋อวันนี้อากาศไม่ดีเลยวันนี้ลมไม่ดีเลยความาต่างกันไหมวันนี้ไม่มีลมเลย ต่างกันใช่บ้านเรามีลมไหมมีแต่ทำไมเราไปยอดเขาไปหาอากาศที่ดีบ้านเราลมพัดเรื่อยๆใช่ไหมแต่อากาศไม่ดีเน่าเหม็นใกล้โรงงานทั้งๆ ท, ที่มีอากาศนะแต่ทั้งที่มีลมนะแต่ความอะไรสมกทั้งหลายใช่ไหมพวกหมอกควันทั้งหลายนี่อันนี้ไม่มีอากาศมีแต่ลมเพราะฉะนั้นอากาศต้องหมายถึงออกซิเจน อากาศสะอาดหมายถึงออกซิเจนที่สะอาดแต่ลมนั้นหมายถึงอะไรก็ได้ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวแต่ลมก็เป็นส่วนประกอบตัวหนึ่งของอากาศแต่ในที่ไหนมีลมอาจจะไม่มีอากาศแต่ที่ไหนมีอากาศมีลมเสมอเพราะนั้นเราจึงชอบไปเที่ยวที่ไหนชายเขาอยอดเขาชายทะเลใช่ไหมก็จะมีมออกซิเจนสูงมีโอโซนสูงนั่นคืออากาศ เพราะนั้นตัวนี้มันก็จะเชื่อมให้ดินน้ําวงไฟทำงานเราไปจุดไฟที่มีไม่มีอากาศไฟไม่ติดนะต้องถ้ามีลมลมพัดดับนะีในลมนั้นมีอากาศอยู่แต่ว่าในตรงไหนที่มันเป็นสุญญากาศหรืออากาศน้อยเนี่ยในถ้ำในรยลึกที่อากาศน้อยก็จุดไฟไม่ติดเหมือนกันเพราะอากาศคือเป็นส่วนที่เสริมธาตุดินน้ำาวงไฟให้ทางาน แต่ลมนะั่นคือเป็นตัวเชื่อมประสานเฉยๆนะดังนั้นเมื่อรูปกับนามกายกับใจมาพบกันแล้วมันทํางานเมื่อดินน้าลมไฟทํางานด้วยการทํางานของอากาศเป็นตัวร่วมก็ก่อให้เกิดธาตุใหม่เรียกว่าวิญญาณธาตุแปลว่าธาตุอะไรวิญญาณธาตุธาตรู้น ะ, ะวิญญาณธาตุคือธาตรู้ เพราะฉะนั้นในตัวธาตุทั้งหกเนี่ยมันทาหน้าที่ทาหน้าที่รับรู้ตามตามปกติแต่ยังไม่มีขันนะยังคนหลับไปเนี่ยมีธาตุครบไหมดินน้ำาวมไฟทำงานครบนะ ถามว่าถ้าเราหลับสนิทไม่คิดไม่ปรุงไม่แตง่งไม่ฝันเนยเรามีขันไหมไม่มีรูปประขันหมายถึงความคิดจินตนาการอิมเมจทั้งหลายเนี่ยอันนี้เป็นขันเพราะฉะนั้นเรียกขันขันก็ยังที่ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เรียกว่าขันรูปประขันเวทนาขันเราไม่เรียกว่าเวทนาธาตุไม่มีนะสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุมีเพิม่มเป็นตัวร่วม เพราะนั้นวิญญาณเป็นไทย่ยทั้งขันและทั้งธาตุวิญญาณในขันกับในธาตุต่างกันยังไงวิญญาณในธาตุนั้นจะทํางานในอายตนะทั้งหเท่านั้นรับรู้ตาเห็นเรียกว่าโสวญญาาวาา่วิญญาณใช่ไหมหูได้ยินเล้วเอ้ยตาเห็นได้ว่าจักขูวิญญาณหูได้ยินเนี่ยหน้าที่ของจักขู่วิญญาณวันไหนเราหลับตาตาเราปิดตาเราบอดเนี่ยวิญญาณจักขูวิญญาณยังมีไหม ไม่มีแล้วเพราะมันไม่ทําหน้าที่ล้ววิญญาณเาหายไปหนึ่งดวงเอาหูดวงอีกไม่ได้ยินเลยเลยวิญญาณดวงที่สองดับไปล้วก็เหลือวิญญาณแค่สี่ดวงนะแล้วนะวิญญาณก็จะดับวิญญาณธาตุนี่จะดับไปก่อนทีละดวงทีลดว ง, ดวงแต่วิญญาณขันเหลืออยู่อนั่นหมายความว่าตัวที่จะส่งไปที่ต่างๆเช็นว่าเราไป ก่อนที่ตายเราห่วงสมบัติคนนั้นห่วงลูกคนนั้นห่วงแฟนคนนี้ห่วงตัวนั้นอันนั้นวิญญาณขันทํางานแต่วิญญาณธาตุเมื่อดับธาตุสีดับปั๊บวิญญาณธาตุก็ดับแต่วิญญาณขันอยู่วิญญาณขันตัวนี้ก็จะไปหาที่ปฏิสนธิเกิดใหม่ตัวนี้ก็จะมาเป็น seeds of life เป็นมเมล็ดพืชแห่งชีวิตใหม่ต่อไปเพราะ น, นั้นเมื่อเข้าใจว่าเราจะให้ความสําคัญ ระหว่างรูปกับนามเนี่ยระหว่างธาตุกับขันเนี่ยเราควรจะให้สำคัญอะไมากกว่าเพราะขันเป็นที่ตั้งของอุปท า, านแต่ธาตุไม่ได้เป็นที่ตั้งของอุปท า, านใช่ไหมเพราะฉะนั้นรูปปูปาทา น, นักขันโทตัวนั้นนะรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปน ะ, ะรูปปูปาทา น, นักขันโท ขันนันเป็นที่ตั้งคือรูปอเพราะฉะนั้นรูปอุปาทานหมายถึงตัวรูปรประขันไม่ใช่รูปประธารูปขันหมายก็เราเนี่ยถ้าไม่คิดสําคัญมันหมายว่าเรามีอยู่เนี่ยถ้าเราไม่สําคัญผิดในร่างกายนี่ร่างกายเนี่นจะรักเป็นไม่ช่างเป็นไหมไม่เป็นใช่ไหมแต่ความคิดมันรักเป็น ช, ชังเป็นนั่นคือรูปประขันมันจึงเป็นที่ตั้งของอุ ป, ปทานแต่ธาตุไม่ได้เป็นที่ตั้งของอุปทาน พวกหมูหมากาไก่มันก็มีธาตุใช่ไหมแต่มันไม่รักไรชังเหมือนมนุษย์นะเพราะมันมีแต่ธาตุแต่มันไม่มีขันนี่ไงแต่มนุษย์มีขันอ่าดังนั้นเองอรูปูปรารทานขันโถเวทนูปรารทานนัขันโถขันนะั่นเป็นที่ตั้งความยึดมัน่นคือเวทนาเราไปยึดสุขเวทนาทุกเวทนาเป็นของเราเนี่ยอันนี้เกิดธาตุเกิดขันละ น, นั้นเราจะบริหารรูปนามเนี่ยให้ให้ดีดูแลร่างกายให้ให้ดีให้ดูแลธาตุให้ดีเมื่อดูแลธาตุห้า ด, 5, ดีธาตุที่6คือวิญญาณขันวิญญาณธาตุก็ดีเมื่อวิญญาณธาตุดีจะทำไงให้วิญญาณธาตุดีสมบูรณ์โดยที่ไม่มีทุกข์ก็พัฒนาตัววิญญาณให้เป็นเหลือแต่ญาณอ่าให้เหลือแต่ญาณแต่ถ้าเป็นวินวิ ว, วิอยู่แล้วเนะี่ยหมายควา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 เราจึงมาเจริญตัวสติตัวสมาธิเพื่อที่จะให้รู้เท่าทันสิ่งที่มากระทบและจบมันก็จะเหลือแต่ยานนั้นในธรรมจักรสู่านไวจากขอุงอุทัพปิยานังอุทัพปะิขึ้นอาดับแรกเลยนะการไม่ได้ธรรมจักรสูคือได้ตัวรู้ยี่เรามาเรียกง่ายๆว่าตัวรู้นั่นแหละคือตัวยานอันที่หนึ่งละซึ่งถ้าเราไม่วิจัยกันขั้นนั้นนะเราึง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 เพราะอวิชากให้เกิดสังขารสังขารกลายเกิดวิญญาณนั้นวิญญาณจึงเป็นเหตุของทุกข์ใช่ไหมดังนั้นก็เราต้องระวังสัมรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่ออะไรเพื่อให้ไม่เป็นต้นเหตุของทุกข์เพราะวิญญาณเป็นตัวเหตุของทุกข์ตัวหนึ่งในฟังก์ชันที่สมใช่ไหมทั้งหมดมันมีสิบสองฟังก์ชันฟังก์ชันที่หนึ่งคืออวิชาฟังก์ชันที่สองคือสังขารฟังก์ชันที่สามคือวิญญาณ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 ในการระวังที่จะไม่ปล่อยให้มันสนุกสนานไปกับไอสิ่งที่มากระทบสัมผัสใช่ไหมมันก็จะมากขึ้นแต่นั้นตัววิญญาณของในตะวันตกเนี่ยเขาใช้คำว่า conscious เพรานั้นน่ะเขาไม่ค่อยรู้จัก aware หรือ mindfulness อะไรเลยเออ aware นี่พอรู้จักแต่ mindfulness แทบจะไม่เวิร์กเลยเราไปใช้เออเทาว่า aware แต่ความจริงไอ้ตัวเนี้ยตัวสติคือตัวรู้ตัวคือเอาแวร์ตัวนี้มันเป็นตัวรู้ตัวเอแวร์นี่มากับระหว่างเชื่อมระหว่างวิญญาณกับสติเข้าด้วยกันคือไมฟูเนสคือใจมันเต็มเพอใจมันเต็มไมฟูใช่ไหมไมฟูเนสความที่ใจมันมาเต็มไม่ถูกแยกออกไปทางกลางหูจมูกลิ้นกายตัวเนี้ยจะไปเป็นญาณตัวเอาแวร์เป็นตัวเชื่อมระหว่างคอนเชสต์กับไม เข้าเดีกันเพราะนั้นอเมริกาทางยุโรปเขาจะใช้รู้จ า, าแวมากกว่าใช่ไหมเพราะไม่ฝุ่นในเดทเกจะสื่อไม่ค่อยได้เลยเพราะเขาไม่มีวัฒนธรรมในเรื่องนั้นพอเราเกิดมาเราก็เอาแวแล้วใช่ไหมถ้าคนไหนไม่เอาแหวแ่จะเป็นไงหมอก็ตบกล่นอย่างแรงเนี่ยเราก็เรียกอูแวอูแว่นี่ยความจรงคือเอาแวน่ น, นี่ยเด็ฉันรู้ตัวแล้วการมีชีวิตอยู่นั้นต้องทุกข์ใช่ไหมถ้าไม่ทุกข์ต้องตกให้ทุกข์กับหมอถ้ามันไม่ร้องต้องตกให้ร้อง มันถึงจะว่ามีชีวิตยอยู่จริงเพราะนั้นเด็กก็เลยเป็นสัญลักษณ์ตั้งแต่แรกคือเอาแวอาแหวนคความทุกข์อันนั้นเวลาเราไปาปฏิบัติเราจะบอกว่าคอนเสิร์ตแต่หมายถึงว่าตัววิญญาณที่เป็นธาตุานั้นแต่ตัววิญญาณที่เป็นขันเนี่ยญญาทางตะวันตกแทบจะไม่รู้เรื่องเลยเรามาใช้สเปรดไอ้สปรตของเขาก็หมายถึงเป็นลักษณะโศ์ใช่ที่มีตัวตนอ่า แต่ขงเราไม่ไม่ใช่ตัวสปริตหรือตัวโซเราไาใช้ตัวคอนชะีสทั้งกายทั้งใจเราคอนชีสตัวนี้เมื่อมีการพัฒนามีตัวสติเข้าไปมันก็เป็นมายฟูลไบฟูเนสคำมันใช้ตัวนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะมาระวังสังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้มันเกิด ขันขีหมายความรับรู้ได้ตารับรู้รูปรู้สวยรูปงามได้แต่ไม่จำเป็นต้องปรุงออกมาถ้าปรุงมาปั๊บเป็นขันใช่ไหมหูจมูกลิ้นกายก็เช่นเดียวกันสามารถรับรู้รูปรสกินเสียงตามความเป็นจริงได้อย่างรสเนี่ยมาแตะถ้ารู้สึกว่าเ อ, อ้ออร่อยชอบเป็นขันหรือยังแต่ถ้ากินไปตามหน้าที่อร่อยเมื่ออร่อยก็เท่านั้นมันก็เป็นเพียงธาตุชนธาตุแต่เราทําใจอย่างนั้นได้ไหม ได้เดี๋ยวยากหน่อยเท่านั้นเองเพราะนั้นีเรามาฝึกฝึกเพื่อการทําใจที่จะไม่ไปเสพในความสนุกสนานหรือความอดเด็ดร่อยนั้นเองแต่รับรู้สมมุติความอเด็ดร่อยเนี่ยมันเป็นโดยธรรมมันเป็นลดโดยธรรมเราไม่จําเป็นต้องยิน ด, ดีก็ได้แต่ร่างกายก็จะรับรู้เ อ, อืออร่อยก็ทําให้เราทานอาหารได้ใช่ไหมทานอาหารทุกมื้อไม่อร่อยชีวิตชีวาไม่มีชีวิตชีวาเลยนะม่มีความหมายเลยชีวิตแต่ท่านบอกให้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 ลักษณะนี้เราเรียกว่าวิญญาณกลายเป็นสัญชาตญาณใช่ไหมเรามาแปลว่าความเคยชินเห็นปั๊บชอบเลยนี่ไม่มียานเหลืออยู่เลยเะมือนนะั้นแต่เหลือสัญชาตญาณทุกคนที่ไม่ได้ฝึกฝนเนะ่เห็นอะไรที่มันน่าสวยงามทุกคนก็ต้องชอบอยู่แล้วตามสัญชาตญาณใช่ไหมกลิ่นหอมทุกคนก็ชอบไปแล้วใครบอกว่าไม่ไม่ชอบนี่คนนั้นได้๋ถูก เกาหาว่าถูกก่อนแรกขอเกาออ้นี่ผิดปกติใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นสัญชาตญาณจึงเป็นนี่ทั่วไปไม่ว่าคนหดืสัตว์จึงมีในตัววิญญาณนั่นเองถ้าขาดสติเรียกว่าสัญชาตญาณถ้ามีสติเรียกว่าวญาณปัญญาถ้ามันยังเป็นกลางอยู่ทั้งสติยังมีเขาเรียกว่าวิญญาณคือมารับทำตามหน้าที่ของมันนะ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 มันก็กลายเป็นอาหารไปนะสัตชัญถ้าคนไหนค่าสัตชั้นสูงก็บาปกว่าสัตชั้นต่ำนะบาปมากกว่าอย่างข่าคนบาปมากที่สุดเพราะมันเป็นสัตชันสูงแต่ข่าคนดีก็บาสมากกว่าคนช่วยอีกข่าคนพระอาาริยะก็ยิ่งบาปกว่าข้าคนดีอีกยิ่งข่าพระอรหันต์ก็เป็นอนันตเดียกรรมไปมรรคผลนิพพานไม่ได้เลยเนี่ยบาปมันก็จะสูงเป็นชั้นเป็ชั้นดังนั้นเมื่อเรามาเจริญสติรู้ว่าเออเอนันนี้รูปขันธ เป็นสิ่งที่ต้องระวังไม่ให้มันเกิดรูปประคันคือหมายถึงนามรูปที่เราอิมเมจขึ้นมาใช่ไหมเหมือนเราใช้จอปั๊บเนี่ยรูปประคันปรากฏ ล, ล้พอคลิกอีกทีนึ่ง Play, เพลย์ไปไงรูปประคันก็ทํางานพอรูปประคันทางานเขาเรียก ว, ว่าอายตนะหทํางานแล้วนํานรูปก็ให้เกิดอายตนะสลายอาตนะทํางานร่วมกันสลายอายตนะพอมาทํางานรูปกันมันเพลย์แล้วเวิร์กร่วมกันนะ ก็เป็นพร้อมที่จะรับการกระทบตาหูจมกูกลิ้นกายใจพร้อมที่จะรับความรู้สึกเมื่อความรู้สึกมันก็มีสามอย่างใช่ไหมชอบไม่ชอบเฉยๆนะเสร็จแล้วสามอย่างนี้ก็ถ้าขาดสติเข้าไปตามอีกมันก็ไอความรู้สึก3มอย่างก็พร้อมที่จะเป็นอะไรเป็นตัณหาเป็นตัณหาอยากที่ตอบสนองตามความอยากเรื่อการมตรหา แล้วก็ไม่ตอบสนองตามแล้วตอบสนองทางกายเป็นการวัฏหาตอบสนองทางจิตเป็นภวะวัฏหาแต่ถ้าไม่ถูกตอบสนองในทางที่ไม่ถูกเป็นวิภวะวัฏหาเนี่ยเรามันก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนั้นดังนั้นก็คอยดูว่าตัวรู้ของเราเนี่ยมันถูกแยกไปไหนบ้างถ้ามันถูกแยกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายแยกไปรับรู้เฉยๆหรือ แ, แยกไปเพื่อเทียบปรุงชอบหรือไม่ชอบ ถ้าแยกไปรับรู้เฉ ย, ยตัวรู้ก็ทาตามหน้าที่คือวิญญาณแต่ถ้าไม่มีอะไรมากระทบก็มารับรู้กายกับใจชัดๆมันก็กลายเป็นญาณต่เมื่อไรขาสติเข้าไปรับรู้เพื่อตอบสนองก็กลายเป็นอะไรสัญชัดญาณการทำมาของท่ทขอ ง, งขันเป็นอย่างนั้นเ <c oughs> มื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องนมันระวังละตัวสติตัวสมัมผัสยังเป็นการช่วยลด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 เมื่อเกิดความชำนาญเกิดเอ็กซ์เพลีเกิดทักษะแล้วต่อไปน้ำ ม, มารูปหยาบๆมันก็เริ่มรู้แล้วใช่ไหมความคิดหยาบๆความคิดที่มันเป็นเรื่องเป็นราวก็เห็นละพอรู้รูปนามชัดขึ้นชัดขึ้นมันก็ยิ่งไปเห็นนาำมะลุบชัดขึ้นเรื่อยๆ <S <S แต่ถ้าหากว่าเราไม่ฝึกฝ น, นไอ้การที่จะไปรับรู้ความรู้สึกของรูปนามคือเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงไว้เจ็บปวด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 ไม่มีค่าเลยมือถึงเท่านั้นแต่มันจะมีค่าว่าเราใช้มันเป็นเราฝึกรู้ลูปนามรู้การูร้ใจเนี่ยเราต้องใช้เป็นพอใช้เป็นปั๊บโอ้มันก็ททำได้มากขึ้นใช่ไมทำได้ถูกต้องขึ้นก็ได้ประโยชน์มากขึ้นอันนี้ความหมายของมันมดุ ด, ดีมากทีเดียวโยมเคยได้ยินคาว่าหมาโลยไหมใช่นั่นแหละพวกนี้สัตว์ชั้นสูงหมายถึงพวกนี้เคยเป็นคนมาก่อน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 เพราะเคยเป็นคนมาก่อนพวกช้างอย่างช้างกระลิงเนี่ยเกิดอชาติเข้าเป็นคนนะชาติสุดท้ายของสัตว์ก็คือเกิดเป็นช้างกระลิงเพราะช้างกะลิงเนี่ยผู้ทีเจ้าที่ไปไปอุปถัมภ์ผู้ทีเจ้าเรื่องนี้ยาวนะต้องว่าเวอร์ชั่นใหม่นะตอนนี้หมดเวลาแล้วโยมนึกถึงว่าโยมบ้านทางเข้าบ้านมีหกประตูใช่ไหมถ้าโยมมียามคนเดียวเนี่ยถ้ามันเฝ้าไ ป, ไประตูนี้ประตูหลัง คำาเข้าได้ไหมคำว่าสํารวมระวังหมายถึงว่าทั้งหประตูเนี่ยคุณมีความสามารถดูแลทั้งหประตูทีเดียวกันไหมไม่ได้มันจะเหลือแค่หนึ่งหรือสองประตูเท่านั้นนึกถึงยามที่เฝ้าบ้านที่มีประตูเยอะๆใช่ไหมบ้านกว้างๆเนี่ยระวังไม่ได้ทุกประตูหรอกมันต้องเข้าไปดูแต่ประตูหนึ่งความเผลอไม่ยิ่งเกิดขึ้นไงแต่ถ้าคําว่าระวังสังวรอย่าให้มันไปรู้ทั้งเฝ้าทั้งหประตูให้ามาเฝ้าประตูเดียวหลวงพ่อท่านท่านกล่าวเปรียบเทียบว่า จองปวกหนึ่งจ้าบวกใช่ไหมมันมีรูเข้าอดียวหกรูอ่าใช่ไหมทีนี้จะไประวังทั้ง6กรูมันจับรูนั้นไปออกรูนั้นจับไม่ทันหรอกท่านบอกให้อุดเจพาะห้ารู <c oughs> มาเฝ้าดูรูเดียวมันออกมาก็จับมันตรงนั้นแหละอ่านั่นคือสังวรระวังไมาถึงอย่างนั้นให้มันออกมารูเดียวสองรูก็ยังทันอยู่ใช่ไหมเออก็ระวังแล้ ว, วแวต่ยังไม่ทันใช่ไหเพราะมันมันเยอะมาเปิดเยอะเกินไปเปิดประตูเยอะเกินไปให้เฝ้าแค่ระวังประตูสองประตู ชาจีินอยังสาธุ <laughs>